ก็นองจากการดูแลสุขภาพเป็นความจําเป็ น, ปนสําหรับคนยุคปัจจุบันนะโดยเฉพาะธรรมาก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะทํางานทั้งปีนี่ไ่ได้พักเลยนะเสดจับเมืองไทยเพื่อกลับต่างประเทศเสีจจยจับเทอกลับเมืองไทยสลับคนอยู่อย่างนี้บางวันไม่ได้นอนต้องนอนบนรถ <c oughs> ก็ก็สนุกดีนะ <c oughs> ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระอะไรแต่เป็นชีวิต ชีวิตที่สนุกสนานกับการทำงานทีนี้ก็อยากจะให้เพื่อนมนุษย์เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเนี่ยได้มีชีวิตที่สนุกสนานกับการทำงานก็โดยการมาสร้างมาสร้างคุณภาพของชีวิตด้วยการมาทำแบบนี้เนะี่ยพ่อมายเอกก็ไ ด, เด้เดินมาทางสายนี้ก็รู้สึกว่า เมื่อมาพบเส้นทางนี้แล้วก็รู้สึกเสียดายชีวิตของคนหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเจอพบพิธีการก็เลยบอกไปเพื่อนๆ เ, เป็นพระบางระโยมบ้างก็บอกกันมาหลายปีตั้งแต่พศสอ3 0รอยสาสิเป็นต้นมาถ้าก็จะพบทางเส้นนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าลองผิดลองถูกถึงแม้ว่าพบในวิธีการของพ่เทียนแล้วนี่ มาอยากจะได้เก้าอี้สักตัวเนาะผ่อนจิตก็ในพบในวิธีการหลวงพ่อเทียนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะก็เรียกว่าในวิธีการหลวงพเทียนนึงไม่ไม่มีการคั่วปี่กันแต่มีการเรียนรู้คุณวชินไม่ต้องคนเดียวก็พอเก้าอี้ตัวเดียวไม่ต้องยกอันนั้นนะเก้าอีก้ก็มีการเรียนรู้จาก วิธีการของท่านแล้วก็ให้เรากเกิดประสบการณ์ของเราเองแล้วมันก็จะเป็นวิธีการของเรานะก็มาเที่ยวนี้ตั้งแต่สามาถึงเมืงไทยสาสิงหาสิงหากรกฎาพุทิกาธันว่ามกรากรุ่งพาเข้าเดือนที่7แล้วเด็คนจริง6เดือนก็ให้กลับนนะแล้วนะเดือดเลยเข้ามาครึ่งเดือนก็เลยเที่ยวนี้ทํางานหนักรู้ไหมว่ามาทําพระเจดีถวายหลวงพ่เทียนที่วัด พระท่าแสงเทียนบรญจุพระท่าตุหลวงพอเทียนเสร็จแล้วก็พาภาพไปทุดงที่ทางอีสานได้เดือนหนึ่งกลับมาก็มาทำงานต่อที่นี่วันเสาร์อาทิตย์วันที่สิบสิบเอ็ด้าววันที่10บส1บ1อสองสสาก็ไปต่อที่วัดชนาธิอีกสามวันสิบสีก็กลับอเมริกาก็เลยว่าไม่ได้พักแต่ก็สนุกเพราะว่ามันได้พักันในตัว ในวิธีการอันนี้เป็นวิธีการที่อย่างที่หมอว่าต้องมีคนมีบุญพอสมควรที่จะรับได้นะคนเข้ามาก็เยอะนะมีบุญทั้งนั้นแหละแต่บุญมากบุญน้อยนะบุญ เ, เหมือนคนเทน้ำอ่ะคนไหนมีน้ำเยอะหน่อยก็เทก็ไหลไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆคนไหนมีน้ำน้อยๆนอยก็เทหมดขันก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นดังนั้นะ ทางอีสานเขเรียกบุญหลายสายยาวบุญหลายสายยาวบุญน้อยสายสั้นเพราะนั้นสายบุญของเราก็คือการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนะี่ยบุญชั้นที่หนึ่งนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อริวะทุกส่วนครบส2ไม่พิกลพิ ก, การไม่บอดไม่หนวกไม่ง่อยเปรี้ยเสียขาไม่วิกลจรตินะสติ ส, สมยะสมบูรณ์นะ เป็นมนุษย์แล้วบุคคลดังกล่าวได้มาพบพุทธศาสนานะพบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องมีศรัทธามีศรัทธาและในศรัทธาตัวนั้นก็นําไปสู่ความเพียรได้ด้วยและความเพียร น, นี้ก็จะนําไปสู่ตัวมักตัวผลได้อันนี้เรียกว่าโชคดีตรงนี้นะบางคนเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่พิกลพิการที่เรียกปัจจุบันว่าไม่เต็มร้อเนี่ย ก็ครลักษณะอย่างนั้นนะนะพิคนพิการทางกายก็สามารถมีโอกาสที่จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้แต่ถ้าพิคนพิการทางจิตแล้วก็ยากละนะเป็นอ ภ, พภิพาะนะคำว่าสติสัมยาไม่ครบอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอันนั้นในเบื้องต้นนี้บอกรายการกันว่าวันนี้มีน้องเล็กๆหลายคนมานั่งฟังอยู่ด้วยนะก็เลยว่าอยากจะทราบเบื้องต้นนี้ ผู้ที่ไม่เคยมานั่งปฏิบัติแบบนี้เลยไม่เคยสร้างจังหวะเลยมีกี่ท่านคอยทราบจำนวนหน่อยก็เยอะเหมือนกันนะหนึ่ง6สี่ห้าหกยกไป ก, ก่อนนะเจ9ด0 1ด1ก13สิหก็ประมาณ20นะประมาณ20่บกว่าท่านซึ่งผู้ที่ไม่ไม่เคยเลยเนี่ยถ้ามานั่งฟังธรรมา ก, ก็จะงงอนะเนาะเพราะว่าตรงนี้เรียนกันมาหลายคอร์สแล้ว คอทนี้มาถึงเรื่องของคอทแรกครั้งแรกที่มาพูดในช่วงเที่ยวนี้ก็ <c oughs> พูดถึงเรื่องรูปนามช่วงที่สองมาพูดถึงเรื่องเวทนาในรูปนามเวทนาในขันห้าวันนี้น่าจะเป็นเวทนาในระหว่างนา ม, มารูปและเวทนาที่เป็นปฏิสุบทัทสําหรับวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วจะได้ฟังวันนี้ นั้นเอาสำหรับเยาวชนน้องหนูของเรามีกี่คนยกมือขึ้นน้องหนูของเราหลายคนนะอา้าเบื้องต้นเนี่ยน้องหนูนี่จะไปกับพระอ า, าจารย์มงคลนะพระอาจารย์มงคลองค์ที่สองเนี่ยที่เป็นเยาวชนน่ะเยาวชนหลายๆคนแล้วก็ผู้ใหม่ทั้งหมดประมาณยี่สิกว่าท่านนะั่นก็จะไปกับท่านอัน๋นนะท่านอัน๋นหรือพระอาจารย์เอ ก, กวี ก็ทั้งสองท่านนี้ต่างก็เคยผ่านการปฏิบัติมาเ <c oughs> ยวาวชนของเราก็คงไม่ใช่จะหนูเล็กกันหนูใหญ่ด้วยเนาะคนที่ไม่เคยมากลัไปสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วก็จะอยู่กับมาที่นี่ทั้งหมดแล้วในช่วงบ่ายเราค่อยสลับกันได้พบกันทุกท่านท่นนี้เพื่อให้โอกาสแก่ทุกท่านที่จะมาเพิ่มบูรพูนปัญญารักษาจิตให้ คิดไปในทางที่เป็นบวกอยู่เสมอดังนั้นในเบื้องต้นนี้ขอแยกกันเนาะสําหรับน้องหนูเยาวชนนี้จะให้ไปอาจารย์มงคลที่นู่นนะที่ข้างนอกที่เป็นชั้นสองเนี่ยนะตรงนั้นเป็นลานหญ้าอีกต้นไม้ที่ตรงนั้นสําหรับกลุ่มผู้ <c oughs> ผู้ใหม่นะก็ะผู้ใหม่ที่ผู้ใหม่นี่อยากจาเข้าไปห้องนิพพานมากกว่าคนเก่าจะอยู่ที่นี่ พอคุณกอาจะเยอะกว่าสลับกันนะเนาะอ้าวฮะไปนอนหลับดีก็ดีเหมือนกันจะได้สบายหลับได้สบายแต่ว่าพระอาจารย์คงไม่ปล่อยให้หลับแน่โดยเฉพาะอาจารย์อ้าวน้องหนูทุกคนลุกขึ้น <t> ยืนตอนเนี้มีกี่คนลุกขึ้นยืนเลยน้องหนูทุกคนไปชวนอ้าวออกไปรอพระอาจารย์ข้างนอกเลยไปออกไปรอข้างนอกผู้ปกครองเยอะไปด้วยหรือเปล่าอ้าวน้องหนูทุกคนที่มา เอาผู้คองไปด้วยนะเผื่อได้จับเวลาหลุดไปให้โอกาสแกเยาวชนด้วยนะผู้คองเก่าระดับไหนเก่าระดับไหนแต่เอามาก็อยากจะคุยกับคนเก่าก่อนคนใหม่ก็ได้เจอกันรอบที่สองนั้นคนใหม่ทุกท่านลูกขึ้นยืนแล้วไปที่ห้องนิพพานแล้วท่านอันพาไปที่นั่น ที่ใหม่นะไม่ใช่ท่านเก่านั้นเก่านัางกะที่ผู้ใหม่จริงๆไปที่นั่นที่มลท่านอันไปนําห้องห้องนิพพานจะไปพากันหลับเพราะนั่ห้องมันน่าชวนหลับมากสลืมสลือสร ว, วอยู่นะท่านนี้คนเก่าก็ ข, ขยับขึ้นมาอาสนะที่ว่างข้างหลังนะนะย้นมาข้างหน้าก็จะได้คุยต่อบทเรียนนะวันนี้นะคนไหนตามบทเรียนไม่ทันก็จะให้ย้ายไปในกลุ่มที่สองอะไร กลุ่มที่สองจามไม่ทันอีกแยะไปกลุ่มที่สามนะคนเก่านี่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หนึ่งคนี้คนไหนสอบตกก็เลื่อนชั้นลงไปเรื่อยๆก็จะมีการพูดคุยซักถามอะไรต่างๆในส่วนที่เราได้เรียนมาแล้วทวนนิดหนึ่งนะของเก่าเล่าเดิมที่เราพูดถึงกันว่าในหลักการในวิธีการขอวงพ่อเทียนเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยที่ว่าไม่ได้พูดถึงศรัทธาชั้นนั้นชั้นนี้กันละ พูดถึงเรื่องความเพียรเลยทีเดียวถือว่ามีความพร้อมนะนั้นในวิธีการรู้เทียนคนที่มีความพร้อมแล้วเนี่ยจะต้องศึกษาเรื่องรูปกับนามซึ่งพูดมาหลายครั้งเลยคือในระดับเบสิคนี่นะเริ่มต้นที่รูปนามนะเดี๋ยวบางคนนะรูปคืออะไรรูปเอามือมารูปขี่แขนอันนี้คือรูปนี่นะนามคืออะไรนามคือใจนะก็ยังเบสิกมากๆเลยนั้นในส่วน พูดถึงเรื่องรูปนามก็ดีในขันห้าก็ดีในนามมารูปก็ดีเนี่ยเอามาจึงเอาตัวเวทนาเป็นตัวกลางเพราะมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองส่วนเท่ากันกายกับใจนั้นทวนอีกนิดหนึ่งว่าเวทนาในรูปนามเชื่อมระหว่างรูปเข้ากับสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าทุกคนจาได้ใช่ไหม ถือว่าเป็นนักเรียนเก่าต้องจำได้นะบอกขันห้าไม่รู้นี่จะต้องถือวเป็นนักเรียนใหม่จะต้องปรับตกทันเดียวงันเถอะในรูปกับนามคือกายกับใจเนี่ยจะเชื่อมเข้าสู่กันได้ก็โดยอาศัยเวทนาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกกายความรู้สึกใจความรู้สึกกายรู้สึกใจก็รู้สึกตัวต่างกันลือเหมือนกันฟังให้ดีความรู้สึกกายารู้สึกใจและรู้สึกตัวต ต่างกันหรือเหมือนกันความรู้สึกกายรู้สึกใจวันนี้คุณเปินมาด้วยก็รู้สึกตัวหมายควรู้ทั้งกายทั้งใจเรียกวความรู้สึกตัวรู้สึกกายก็เวทนารู้สึกเวทนาทางกายรู้สึกใจก็เวทนาทางใจแต่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นสติที่เข้าไปรู้เวทนาทั้งทางกายและทา ง, ท ง, ทงใจให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะ รู้สึกตัวคือเข้าไปรู้เวทนาทั้งทางกายและทางจิตนะเรียกว่ารู้สึกตัวเวทนาทางกายเวทนาทางจิตความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาตามไม่ทันนะความรู้สึกมีสมลักษณะใหญ่ๆความรู้สึกกายรู้สึกใจและความรู้สึกตัวเพราะนั้นที่เรามาทำเนี่ยมาทําความรู้สึกตัวความรู้สึกกายเรามีแล้วความรู้สึกใจเรามีแล้ว สาท่านนะทีนี้ความรู้สึกกายเนี่ยมีอยู่กี่ลักษณะมีสามลักษณะหนึ่งความรู้สึกที่สบายสองความรู้สึกที่ไม่สบายสามความรู้สึกที่เฉยๆอ่ะยังไม่แน่นะตัวนี้เป็นคุ้มเช่นอยู่นะถ้าความรู้สึกเฉยๆเนี่ยไปดูเปลี่ยนขาได้ไหก็ยังไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ความรู้สึกอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าสบายไม่สบายเฉยเฉยมันเป็นสํานวนที่ติดปากเลยนะทีนี้เฉยเนี่ยเฉยเพราะไม่รู้ทั้งสบายหรือไม่สบายไม่รับรู้ทั้งสบายแล้วไม่สบายฉันสบายฉันก็ไม่สนใจฉันไม่สบายกายนั่งเนี่ยก็ปวดก็ปวดไปไม่สนใจใช่ไหมสบายก็สบายไปฉันไม่สนใจลักษณะที่สามนี่เรียกว่าเราจะว่าเฉยเฉยได้ไหม หลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์ให้คําตรงนี้ดีท่ว่าเฉยเมยแต่ถ้าเฉยจริงๆเบกขาเนี่ยค ah ือเฉยมองถ้าเฉยเฉยเมยนี่คือเฉยที่เรียกว่าอุทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมแต่ถ้าเฉยมองนี่ก็คืออุเปกขาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอุเปกขาเวทนานี่มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะพาะมันมาจากคำว่าอุทุกขมาสุขเพราะความรู้สึกสบายเนี่ยแล้วนั่งนานๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกสามลักษณะแต่เราเห็นไหมความรู้สึกตัวที่เรา เรายกขึ้นยกลงเนี่ยนะเรามาสร้างความรู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวทีนี้มันจะไปเห็นความรู้สึกกายความรู้สึกิใจได้ชัดความรู้สึกกายกับรู้สึกใจเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันนะคนลอันเลอะตอบไม่ดีเนี่ยถ้าตอบไม่ดีคุณจะปรับไปอีกชั้นตรงนี้มีหวังได้ปรับตกกันแนวกั้นเลยความรู้สึกกายความรู้สึกใจความรู้สึกาสกายมีสามลักษณะคือความ รู้สึกสบายเรียกว่าสุขเวทนาอความรู้สึกไม่สบายนั่งแล้วปวดหลงังปวดเอวนั่งแล้วตึงเรื่องแล้วเครียดนั่งแล้วขัดตรงนั้นยกตรงนี้แสบตรงนั้นคันตรงนี้เป็นทุกขเวทนาทีนี้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งสบายฉันก็ไม่สนใจไม่สบายฉันก็ไม่สนใจถ้าอาจจะสนใจไปสู่เรื่องอื่นเพราะไม่สนใ จ, า จ, ใ จ, นนนใจกายสนใจใจตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอทุก ข, ขมสุ ข, ขเวทนาอทุกขมสุขเวทนานี้จะบอกว่า รูเ้เฉยเนี่ยมันยังไม่ชัดมาบอกว่าเฉยเมยเรียกว่าไม่ไม่ใช่เ ฉ, เฉองเท่ากับโมหะนั่นเองความรู้สึกสบายถ้าพัฒนาไปเป็นตัวความรู้สึกใจได้ชื่อใหม่จากสุขเวทนาสุขเวทนาในความรู้สึกสบายกายเรียกสุขเวทนาพอความรู้สึกสบายทางกายเราไปยึดว่าเออฉันอยากให้ความสบายนี่อยู่ไปนา น, าน มาได้ชื่อตัใหม่เรียกว่าโสมนัสสะเวทนานี่ความรู้สึกพอใจโสมนัสสะนะ่าเกิดตัวนี้แล้วถ้าเราไปยืดอือไม่สบายฉันก็จะหนีไม่สบา ย, ฉ, บายฉันก็ไม่สนุกฉันก็จะไปละฉันก็จะเลิกฉันก็ไม่สนใจละตัวนี้ได้ชื่อหมายว่าจากความไม่สบายกายเนี่ยมันก่อให้เกิดความหงุดงิดลำคันอึดอัดเบื่อในขี้เกียจขึ้นมา ตัวที่เป็นความไม่สบายทางกายเรียกว่าทุกขเวทนาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นโทมนัสเวทนาคือโทมนัสไม่พอใจอึดอัดใจขัดข้องใจขัดแยง้งไม่สนุกสนานเบื่อหน่ายตามมาตามลำดับตัวนี้ก็เรียกว่าโทมานัสเวทนาทีนี้ตัวที่สามที่ว่าทุกขมสุขเวทนาถ้าเราไม่สนใจถ้าเราไม่ใส่ใจต่อสิ่งแต่ในภาษาเขาไม่ใช้เขาอุเปก ข, ขาเวทนา ซึ่งมาม่เห็นด้วยเลยแต่ยังหาสับมาแทนเขาไม่ได้อยากจะใช้คำว่าโมหเวทนามากกว่านะ่ะเราเป็นโมหเวทนามากกว่าคือเวทนาที่มันลักษณะหลงลืมกายหลงลืมใจอะ่ะกายใจอยู่ตรงนี้มองเห็นอะไรก็ไม่ชัดปวดจะแย่อยู่แล้วก็ไม่ยังไม่ได้ดูไม่ชัดเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าความรู้สึกที่เป็นเวทนาจะออกมาสามรูปแบบคือรูปแบบสบายไม่สบายแล้วก็ มันก็ไปลงไปเฉยเนะียความจริงมันไม่เฉยนะฮะแต่มันเลอมันหลงมันอะไรก็แล้วแต่มันไม่เฉยก็แล้วกันนะนะแต่ภาษาบัญญัติเขาว่าว่าอย่างนั้นก็ว่าตามเข้าไปก่อนว่าเฉยเฉยนะทีนี้ไอ้ตัวรู้สึกตัวที่เรามามาม า, มายกมาเคลื่อนมาไหวเนี่ยถ้าเรายกน้อยฝึกน้อยศึกษามาน้อยความถี่ของความรู้สึกตัวที่ว่าสติสัมปชัญญะมันก็เป็นไงอ่อนใช่ไหม อ่อนแล้วก็ช้าเมื่อมันอ่อนมันช้ามันตื้นอยู่เนี่ยมันก็จะเห็นความรู้สึกสบายไม่สบายไม่ชัดเบลอๆลืมๆห ล, ล ง, ลงๆไม่ชัดแต่พอเรามาทำบ่อยเข้ามาเข้าเดินจงกรมบ่อยเข้าสร้างจังหวะบ่อยเข้าแล้วก็ตามรู้ตามไปเรื่อยๆตามความรู้สึกที่เราเคลื่อนนี่ไปเรื่อยๆความรู้ตัวเนี่ยเพราะนั้นความรู้ตัวมันไม่ได้ชัดเหมือนกับเวทนา ทั้งกายทั้งจิตประความรู้สึกตัวตัวนี้มันเป็นลักษณะที่ใครบอกลักษณะได้บ้างมันเป็นยังไงความรู้ตัวเนี่ยความรู้สึกตัวลักษณะเป็นยังไงท่านให้คำจำกัดความว่าอย่างนี้ว่าการจดจำอาการที่ปรากฏขณะนั้นชัดแล้วก็ยาวนานท่านใช้คำ ว, ว่าถิละสัญญาอันนี้หมายความว่าเป็นภาษาตำานะแต่ในวิธีการของโคตเทียนนั้น เป็นความรู้สึกตัวคําว่าทีและฉันอยากเขาให้คําจำกัดความว่าสามารถา จ, ำำาจำคำที่พูดจำคำที่พูดจํากิจที่ทำนะสามารถจดจํากิจที่ทําคําที่พูดแม้ผ่านไปยาวนานนั่นคือคําว่าสติในภาษาบัญญัตินะแต่ในวิธีการของหลงพ่อเทียนความรู้สึกตัวที่เป็นสติหมายถึงความรู้ หมายถึงความรู้แล้วก็มันก็สึกไปด้วยเอออันนี้ภาษาไทยนะมันเป็นภาษาที่วิเศษเนี่ยเห็นความรู้เห็นความเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับใช่ไหมมันเกิดแล้วมันก็ดับรู้เห็นความสึกหรอเห็นความเสื่อมไปคือความรู้สึกตัวนั่นคือเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังนาตาของ รูปของนามนั่นเองคำว่าความรู้สึกตัวคำนี้มันครอบคลุมความหมายคําว่าใจรักเลยนะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เราเห็นขณนะปัจจุบันเนี่ยมัน Realm นั่งไป น, นานเนี่ยมันสบายขึ้นหรือมันไม่สบายนั่งไป น, นานมันส บ, ม ส, บบสบายหรือไม่สบายบอกตรงๆสบายหรือไม่สบายไม่สบายความไม่สบายหมายถึงความสึกหลอใช่ไหมความเสื่อมความชราความอาพาธใช่ไหมนั้นคือมันสึกแล้ว รู้ถึงความสึกหรอความเปลี่ยนแปลงความสิ้นไปของอาการที่มันสบายนั้นทีนี้พอความสบายนี้พอเราต่อเนื่องไปนานๆ น, นะต่อเนื่องไปสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็ น, ปนความไม่สบายพอความไม่สบายน้นเข้านานเข้าถ้าหากว่าคนเคยฝึกฝนมาก่อนก็จะทนไปเรื่อยๆทนดูเป็นทนเป็นแต่คนที่ไม่ได้ฝึกฝนอะไรมาเลยพอรู้สึกไม่สบายบับ๊บเป็นยังไง ก็เปลี่ยนใช่ไนหะก็เปลี่ยนเพื่อเอาความไม่สบายออกไปพอเปลี่ยนไปปับ๊บความสบายเกิดขึ้นอีกสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นความไม่สบายก็สลับกันอยู่เนี่ยรู้สึกรู้แล้วก็สึกไปรู้ก็สึกไปรู้ก็สึกไปรู้ก็สึกไปรู้สึกไปในตัวคำว่าตัวตทวนั้นหมายถึงทั้งกายทั้งใ จ, งใจรู้สึกตัวคือรู้เห็นความสึกความเสื่อมความชราคือรู้ทุกนันเองใช่รู้สึกว่ารู้ทุกทีนี้ ตัวเป็นธรรมชาติคือใตรักก็ดีคื อ, อความไม่สบายนี้ก็ดีมันมีอยู่แล้วประจำสังขารเราจึงมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคำว่าตัวรู้สึกตัวเนี่ยสร้างขึ้นมาถามว่าตัวรู้สึกตัวนี้มีมาก่อนมีมาก่อนทุกคนมีมาแล้วใช่ไหมมีไหมคนรู้สึกตัวมีมาแล้วแต่ทำไมมันจึงไป ไม่ไปรู้ถึงใจรักหรือความสึกหลอของร่างกายความชลาความอพาธของร่างกายที่มันมีอยู่ตลอดเวลาทําไมถึงไม่เข้าไปรู้แต่เราเข้าไปเป็นใช่ไหมเข้าไปเป็นความไม่สบายอันนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะการรู้สึกจึงมีสองอย่างหนึ่งรู้สึกตัวที่มันเป็นไปเองเช่นเวลาไม่สบายแล้วก็พลิกใช่ไหมมันเป็นไปเองรู้สึกตัวช น, นิดนี้เขาเรียกว่าความรู้สึกตัวที่เป็นอะไรนะเป็นสันอะไร สัญชาตญาณที่มันเป็นไปเองโดยเป็นสัญชาตญาณซึ่งท่าท <t> ่า <th> น <un> ไม่ชอบตรงนี้ไม่สบายท่านก็ลูกขึ้นยืนตรงนี้นานหนักขาเหนื่อยขาท่านก็เดินเดินมาแล้วก็สบายพาอยืนตรงนี้นานเข้าหนักขาเหนื่อยไขย้ก็เดินอีกหรือนั่งตรงนี้ไม่สบายท่านก็ขยับไปขยับมาก็ปรับอยู่ตลอดเ ป, ปรับเอาความไม่สบายออกไปตลอดเวลาแต่เราทําด้วยความรู้สึกที่มีสติสมรยะหรือมาเป็นความรู้สึกที่เป็นไปเอง ความรู้สึกที่มันเป็นไปเองโดยที่ไม่ตั้งเข้าไปโดยที่ไม่เข้าไปตั้งใจรู้ว่าเราเปลี่ยนเพื่ออะไรนี่เองตัวนี้เขาจึงเรียกว่าสัญชาตยานและสัญชาตยานตัวนี้เองเป็นเหตุให้เกิดอวิชาคือความไม่รู้สึกตัวนะความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้ที่ไม่รู้หลวงพ่อทียนจะใช้นะี่รู้ที่รู้แบบไม่รู้คือรู้แบบอวิชาคือรู้แบบสัญชาตยาน เราจะลุกกระลุกไปเลยเราจะนั่งกรนั่งเลยเราจะกินก็นดีเลยแล้วก็รู้สึกไงก็สนองมันตามอย่างนั้นนะ่ะเรียกว่าเราทําตามสัญญาตัวนั้นก็ก่อให้เกิดอวิชชาขึ้นเรื่อยๆนะคือความไม่รู้สึกตัวรู้แบบไม่รู้นะรู้สึกตัวทีนี้ต่อมาเมื่อเรามาได้สดับได้ฟังได้ศึกษาเรื่องนี้ว่าความรู้สึกตัวต้องทําอย่างนี้นะ ความรู้สึกตัวเกิดจากลมหายใจความรู้สึกตัวเกิดจากการกําหนดท้องพองยุบคำรู้สึกตัวเกิดจากคำบกรรมพุทโธความรู้สึกตัวจากการนับลมหายใจหนึ่งสองสาแล้วแต่จะวิธีไหนก็ตามต้องการความรู้สึกตัวทั้งนั้นบางคนหรือหลายคนใครทําแล้วอาจมาก็เคยทํามาแล้วความรู้สึกตัวในรูปแบบต่างๆแต่ว่ามันไม่เวิร์กสำหรับตัวเราเพราะอะไรเพราะกําลังความรู้สึกตัวที่จะมารู้เท่าทันต่อเวทนา อันนี้ต้องตามไม่ทันนะเพราะเวลาจำกัดความรู้สึกตัวที่จะไปเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเวทนาสุขก็ดีทุกขก็ดีเฉยเฉยก็ดีเนี่ยมันไม่ทันเพราะอะไรเพราะกำลังมันไม่พอนะจึงโชคดีว่าเราได้มาพบวิธีการของพุทเทียนว่าตัวรู้สึกตัวนั้นถ้าไปตามดูตามรู้ตามเห็นลมหายใจก็ดีหรือความรู้สึกตัวที่เกิดจากลมหายใจด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ย ถามว่าใช้ได้ใช้ได้แต่กําลังมันไม่พอเราจะต้องอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เหวอยู่เขาอยู่ที่สงัดวิเวกต้องไม่ต้องทํามาหากินอะไรมากไม่ยุ่งยากมากให้โฟกัสจิตอยู่แต่เฉพาะความรู้สึกที่เป็นเป็นลมหายใจอันนั้นมีโอกาสแต่ที่สําหรับเราเราชาวบ้านธรรมดาต้องทํามาหากินเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้ลมหายใจเพื่อจะรู้เท่าทันความรู้สึกทั้งกายทั้งใจตลอดเวลาเนี่ยได้ไหมสําหรับธรรมาไม่ได้นะทั้ ง, ท, ง, ท, งที่เป็นบวชเป็นพระนะ พระที่จะต้องทํางานเนี่ยไม่พอพอมาพบในวิธีการหลวงโอเทียนยมลองเทียบดูก็ได้นะระหว่างตามลมห้จะเข้ากับออกกับระหว่างความรู้สึกยกขึ้นลงไปสิบสจังหวะความรู้สึกไหนชัดฝา่าอันนี้ไม่ใช่เตะบอลเข้าโกตัวเองเนะ <laughs> <laughs> ไม่จะพูดหาเหตุผลเข้าหาพวกกันเองนะแต่ต้องพิสูจน์นะจะเดี๋ยวต้องพิสูจน์ว่า ลองลองดูวความทดสอบดูว่าความรู้สึกชัดๆเนะี่ยกับดึงหายลมลมหายใจเข้าออกจะชัดแค่ไหนมันก็ก็มีแค่เท่าไหร่สองจังหวะคือเข้าเก่าออกนะแต่ถ้าไอ้การเคลื่อนไหวถ้าชัดๆทั้งสิบสีจังหวะเนี่ยถ้าชัดสิบสี่จังหวะแล้วชัดกว่านั้นแยกสิบสี่จังหวะเป็นยี่แปดจังหวะได้อีกแต่ขณะเดียวกันลมหายใจนี่มันขยายไม่ได้มันมีแค่ เข้ากับบอกแค่สองแต่สร้างจังหวะเนี่ยคุณจะใช้สก็ได้ได้6ก็ได้ทั้ง14ก็ได้ทั้ง28ก็ได้ถ้า28ดหมายถึงอะไรหมายถึงหยุด14ครั้งแล้วก็เคลื่อน14ครั้งบวกกันเป็น28น่สิบแดนะนั้นหมายความว่าความไวและความชัดเจนความรุนแรงของความรู้สึกตัวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมือนี้สามารถเพิ่มกําลังได้สมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรฟลัช นะคือคือบวกเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆได้คือเรียกว่ามันยกกําลังได้ะนะยกกําลังได้เพราะฉะนั้นกําลังของความรู้สึกตัวที่เรามาทําแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปด้วยหาวไปด้วยก็ได้ไอแต่หาวนี่แสดงรู้สึกตัวเลย <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องปรับในขณนะ น, นั่งเนี่ยต้องปรับอีกบทเรื่อยๆนะไม่นั่งแล้วเพลินนะเพลินแล้วมันหาวใช่ไหมเออจะให้มันเพลินก็ไม่ปรับถึงแม้ว่ายังไม่ปวดไม่เมื่อยก็ต้องปรับออก เพื่อที่ให้ร่างกายมันมันฟลอ์เลือดลมมันฟลอ์แล้วมันก็จะอีซีและจะเข้มแข็งในกรีีที่นั่งไปนานนานเลือดลมมันทึบมันทื่อแล้วก็ตาหนักบางหาวบางง่วงบางเบื่อบางไม่ยากตาย ม, มาอันนี้คือความรู้สึกตัวที่เรารู้ได้ชัดนะเอาละทีนี้ความรู้สึกที่ไม่สบายแล้วเราตั้งใจดูอันนี้จะเข้าหมู่ของคำว่าสติที่เป็นญาณ น, นะเม่กี่เป็นสัญชตาตญาณทีนี้สติที่เราว่าจะเป็นปัญญาญาณ มันจะเข้าไปแก้จุดนี้ได้แล้วจะเข้าไปเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นเวทน า, าให้เป็นสติได้ด้วยการรู้ลงไปชัดๆแต่เบื้องแรกสาหรับผู้ผู้ใหม่เนี่ยตรงนี้มาถือว่าเป็นคนมีประสบการณ์แล้วนะจะไม่ลงลึกในรายละเอียดและในขณะที่เรายกเนี่ยถ้าต่อเนกันนานรู้ทุกจังหวะเนี่ยดีหรือไม่ดีรู้ทุกจุดที่เคลื่อนเนี่ย ชัดตลอดเลยดีหรือไม่ดีนะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการแบ่งความรู้สึกไม่ดีเพราะทำไปแล้วมันช่วยไงมันเครียดมันตึงมันคลึงมันคร่งมันอึดอัดใช่ไหมเพราะบังคับทีเกินไปมันเหมือนขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าทาบ้างรู้บ้างสบายๆรู้แต่ไม่ถึงกับจุดจอ หรือไม่ถึงกับชัดเกินไปนะคำว่านี้ชัดนี่ดีนะแต่ว่าเกินไปหมายความบังคับให้มันรู้ชัดๆัดหยุดก็รู้ห่วกงก็รู้งายก็รู้ชัดชัดอันนี้จะกลายเป็นเพ่งไปนะเหมือนกับหนอลักษณะ น, นี้แล้วก็จะทําให้เราไปสําคัญมั่นหมายความรู้สึกตัวเป็นตัวตนบังคับให้มีให้ได้แต่พอเราทําให้รู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยเราก็รับรู้เฉยๆว่าเออตัวรู้ ตัวรู้ตรยนี้ทาต่อไปนานเข้านานเข้าตอนแรกมันรู้อยู่ที่มือพอทานานเข้านานเข้ า, ขามันก็ไปรับรู้ต่อทุกเวทนาทางกายไม่สบายจีบตรงนั้นคันตรงนี้แล้วเข้าไปดูพอการเข้าไปดูแล้วรับรู้อย่างชัดเจนตัวนี้มันก็มีกำลังบวกกำลังของความรู้สึกตัวขึ้นเพิ่มขึ้นและความรู้สึกตัวอันนี้เองพอมันไปลึกลึกถึงเวทนาส่วนต่าง แต่นั่นหมายถึงว่าเราทําแล้วเฝ้าดูชัดๆนะข้างไหนชัดๆแต่ว่าไม่ได้เฝ้าดูที่ชัดเกินไปถ้าเกินไปบางทีแล้วนั่งหลับตาเพื่อจะเห็นชัดๆใช่ไหม อ, อันนี้แหละปัญหาเอ๊ะนั่งหลับตาดูให้มันชัดๆน่าจะดีนะเพราะมันเห็นชัดมากอะ่ะชัดมากเกินไปก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นท่านถึงให้ลืมตาขึ้นแต่สําหรับคนที่ติดสงบติดสบายติดสุขเนี่ยก็ทําไปแล้วก็อดที่จะรับหลั บ, ลบตาไม่ได้คนที่ติดสมาธิอยู่นะ พราะว่ามันได้เสพเสพสุขไปด้วยเอานั่งรู้สึกจิตมันรวมไว้ทาแบบเนี้ก็ยิ่งสุขยิ่งลึกเลยเอามามีตัวอย่างเยอะเลยที่ที่มาปฏิบัติเข้าทําแบบอื่นมาก่อนแบบน้อแบบพุโทโธสมมาราหังมาเพราะมานั่งสร้างยกมือแล้วได้หลับตาไดหูรู้สึกมันมีรสชาติได้เกินดื่มด่านั่งได้เป็นทีละสองชั่วโมงสาชั่วโมงแต่ปรากฏว่าสมาธิดีแต่มันเกินสติไม่สมดุลน่ะ แต่ตัวที่เราต้องการนี่เราต้องการให้กาลังของสติมิญะเข้มกว่าสมาธินะนั้นความรู้สึกตัวที่เราให้พอดีนะมันจะออกมาเป็นสัมปัญญะความรู้สึกตัวที่เข้มเกินไปมันจะออกมาเป็นสมาธิที่ระหว่างตัวสัมปัญญะแต่ตัวกับตัวสมาธิเนี่ยมีสองลักษณะสัมปัญญะที่ถูกต้องมันจะออกมาเป็นสัมมาสมาธิ สัมปชัญญะที่ไม่ถูกต้องมันจะออกเป็นมิจฉาสมาธิอ่าตัวนี้ทางแยกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มองละเอียดถึงกางนั่งสร้างอย่างไปรู้สึกตัวเจออาจารย์ให้รู้สึกตัวอย่างเดียวนะอย่าเอาอย่างอื่นนะรู้สึกตัวอย่างเดียวทีนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดความรู้สึกตัวที่เป็นสัมัชัญญะนี่เป็นอย่างไรความรู้สึกตัวที่เป็นสมาธิเป็นอย่างไรถ้าความรู้สึกตัวที่เป็นสัมผัสหมายถึงรู้เบาๆทั่วถึงตั้งแต่หัวจ เ, เท้า ส่วนจะรู้ได้ลึกหรือตื้นขึ้นอยู่ก็ว่ากำลังของสติที่เรายกเนี่ยว่าชัดเจนแค่ไหนนะอันนี้รู้ในในส่วนเคลื่อนไหวก่อนนะเพราะส่วนในการเคลื่อนไหวนี่มันมีอยู่หลายอย่างใช่ไหมที่ได้กล่าวไปหลายๆครั้งลักษณะของกายแต่พอความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนี่ทุกส่วนของร่างกายชัดเจนดีแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเราเทน้าอะ่ะ ตอนแรกมันก็ระดับนี้พอเทมากเข้ามาเข้ามันก็ซึมลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปน้าน้อยมันก็ซึมน้อยหน่อยลึกก็ซึมลึกลงไปความรู้สึกตัวในชั้นแรกเนี่ยมันก็ซึมได้แค่กายาเลือดกายยานุปัสนาทุกส่วนหัวจุเท้าคลิกตรงไห น, นดิ่งตรงไห น, นก็รู้ลึกเข้าไปอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเวทนาเช่นเยน็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดเคสยอกแสบคันตรงไหนเนี่ย รู้เห็นชัดหมดตรงนี้มันสติตัวนั้นเริ่มเป็นสัมปชัญญะคือรู้ทั่วรู้ถึงเข้าไปในส่วนที่เป็นรูปนะเป็นสัมปชัญญะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเพ่งให้ตัวรู้นี้ให้มันตั้งให้มันละเอียดให้มันนิ่งเนี่ยตัวนี้มันก็จะกลายเป็นสมาธินะ่ะเพราะไปทําให้ต้องการให้มันเยอะขึ้นต้องการให้มันเยอะขึ้นมันเป็นลักษณะของอะไร ความอยากเป็นอะไรเป็นตันหาใช่ไหมนั่นเห็นไหมก่อนที่มันจะไปเป็นมิจฉาสมาธิมันจะเริ่มด้วยตันหาอุปทานแต่ถ้าเราดูเฉยเฉยชัดก็รู้ไม่ชัดก็รู้ไม่ชัดก็ให้รู้ว่าไม่ชัดชัดก็ให้รู้ว่าชัดเท่านั้นเองแต่ไม่ไม่ไม่สำคัญมั่นหมายที่ความชัดไม่ชัดว่าให้มันมากมันน้อยให้รู้มันเฉยเฉยถ้ามันรู้สึกไม่ชัดก็ปรับให้มันชัดถ้ามันชัดเกินไปก็ปรับลงมาให้พอดีลักษณะปรับให้มันพอดีอยู่นี่เสมอเรียกว่าเป็น สัมปชัญญะเพราะสัมปชัญญนะนั้นบอกลักษณะไว้สี่ใช่ไหมหนึ่งโคจระสัมปชัญญอะอันนี้จะลงรายละเอียดลึกไปเนาะสัมปชัญญะสี่ลักษณะลึกไปอถอนมาเรียกว่าความรู้สึกตัวที่จะไปเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวที่พอดีอไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่เพ่งเกินไปชัดพอดีพอดีอดทาไปเรื่อย พอมันพอดีปับลงไปสัมัญชั้ระละเอียดขึ้นไปรู้อาการของเวทนาทางกายเวทนาทางกายชัดขึ้นก็จะไปเลื่อนไปเป็นตัวสัมมาส ม, มาธิคือความตั้งมั่นแบบรู้สึกตัวตั้งมั่นแบบรู้ไม่ใช่ตั้งมั่นแบบสมถะตั้งมั่นแบบนคือเพ่งโฟกัสและจี้เข้าไปในจุด ท, ที่เราต้องการจะรู้อันนี้ก็จะเป็น ไม่ใช่สมาสมทิสมาสมทิมัิมันมีเดฟิชันหรือมีจำกัดความอยู่แค่สี่อย่างหนึ่งสมาฮิโตคือหมายความว่าชัดเจนในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นภาพตาปากหายใจเลี้ยวไส้ไลร้หัวยิบหยับจับเฉยเย็ยนล่อนอ่อนแข็งเค่งตึงชัดแต่มไม่ได้เพ่งชัดเฉยเฉยลักษณะ น, นี้เรียกว่าเป็นตัวสัมปชัญญะตั้งแต่กายกับเวทนา แล้วก็ตั้งมั่นชัดเจนไม่วกแว้ามื่วันไหวไม่ส่งไปอดีตนอนาคตอุตส่าหมาเป็นตัวสมาธินะและตัวสมาธินี้มีจำกัดว่าหนึ่งสมัยตั้งมั่นสองห่องใสไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วง่วงไปเงาไปหน้าบุดหน้าบี้อันนั้นไม่ใช่สมาธิแล้วคือมันไม่เบิกบานะ่ะ คําว่าปริสุทธโธมาเป็นคือเบอิกบานและแจ่มใสในการทำบางคนนั่งไปนานเข้าสมาธิได้ลึกมากหน้าบีออกบูดออกบูดออกเหมือนคนนอนหลับนะอันนี้ไม่ใช่สมาสมาธิแล้วเพราะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปริสุทธโธไม่ผ่องใสไม่ผ่องแผ้วคือไม่ไม่ไม่ไม่บานไม่เบิก บ, บานนะอันที่สกรรมณียหมายความพร้อมกรรมณโยเท่ากับคําว่าสแตนบายนี่คือพร้อมที่จะทําอะไรได้ทันที ไม่ช่วยจะทําอะไรก็งวงเงีย ว, งวงเงือียวอึดอัดตรงนั้นไม่มีกรรมนิยโยเพราะนั้นลักษณะของสมาธิแบบนี้คือพร้อมที่จะทํางานได้ตลอดเวลาแล้วก็ทําได้พร้อมทันทีพร้อมที่จะทํางานได้ทันทีมีความท่านใช้คำว่าความคล่องตัวความคล่องตัวในการที่จะทําอะไรได้ทันทีอันนี้เป็นลักษณะของสัมมาสมาธินะที่เป็นคําศัพท์ของเขาแต่ในส่วนที่ความรู้สึกตัวที่จะพัฒนาไปเป็น ตัวส ม, ม า, ส, มาสัมปชัญญะสัมปชัญญะทั้งสี่ประการเนี่ยนะเสร็จแล้วในช่วงที่เรารู้สึกตัวแบบนี้การสังเกตต่างๆอันนี้มาสรุปมาถึงว่าเวทนาทางกายมาสู่จุดนี่นะต่อไปก็พูดได้เบื้องต้วนว่าวันนี้เราจะพูดเวทนาทางกายเข้าสู่จิตได้อย่างไรนะ เวทนาทางกายพบัติ์ต้นมาเมเรียกชื่อว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเปกขาวเวทนาทีนี้เวทนาทั้งสมเมื่อเข้าสู่จิตแล้วได้ชื่อใหม่ว่าเป็นโทรมรัสสเวทนาโมสมรัสสเวทนากับอุเปกขาวเวทนานะทีนี้ทั้งสองตัวนี้ <c oughs> จะเข้าสู่จิต เมื่อความรู้สึกสบายทางกายไปสู่ความสบายทางจิตเรียกว่าความพอใจและความไม่พอใจความพอใจที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปยึดว่าความพอใจนี้อยากจะให้มันจำนวนเพิ่มขึ้นอยากให้มันอยู่นานๆความสบายเนี่ยความสบายใจความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์แต่ที่ยกเอาแค่เวทนาทางกายมาเป็นหลักคือว่าหนึ่งในตัวอย่างทั้งห้าเราไม่นับถึงตาหูจมูกลิ้น ใจนะเอาแค่ตัวอย่างเดียวคือรูปคือกายเพื่อเห็นชัดๆนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราลงรายละเอียดเรื่องทั้งอีห้าทางมันจะละเอียดมากเกินไปเวลาเราไม่พอทีนี้ตัวความรู้สึกสบายกายไปสู่ความรู้สึกสบายจิตเป็นเรียกว่าความพอใจและความพอใจนี้เราก็ยังไม่ได้ตามรู้อีกไม่ ความพอใจความสบายใจเราไม่ได้ถูกตามรู้ลักษณะความพอใจเป็นอย่างไรลักษณะความสบายใจนี่เป็นอย่างไรเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ตามรู้เราก็เพลินไปเฉยๆการเพลินในสุขเวทนานี่เองมันจึงออกมาเป็นตัวกามฉันทะตัวได้ของอะไรนิวรณ์ใช่ไหมนิวรณ์หตัวนักเรียนเก่าต้องจำได้นิวหตัวมีอะไรบ้างหนึ่ง กรมวันทะสองพยาปาทะสถีนมิทะสีุทัตจักกุจจาห้าวิจิกิจฉาก็คือความพอใจความไม่พอใจความเพลินในความพอใจไ ม, ไม่พอใจความเพลินในความคิดและความสงสัยนี่คือนิวรณ์ทั้งหถ้าแปลว่าแปลมาภาษาไทยแล้วว่าความพอใจความไม่พอใจ เพลินในความพอใจและไม่พอใจเพลินในความคิดแล้วก็สงสัยสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกจริงหรือไม่จริงอะไรตรงนั้นมันก็จะสงสัยขึ้นมาเพราะทั้งตัวความเพลินทางความพอใจนี้พัฒนาไปเป็นการมาฉันทะแต่ความไม่พอใจที่พัฒนามาจากทุกเวทนา เมื่อเราไม่ปแบบือบนั่งไปแล้วไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่เคลื่อนไม่ไหวกดทับตัวเองอยู่อย่างนั้นปวดเท่าไหร่เขช่างมันชั้นทนเราเป็นการแสดงว่าชั้นมีอะไรมีขันติมีความอดทนมากอย่างไรชั้นจะทนตรงเนี้ยหนักช่างมันเหน็บช่างมันเราเข้าไปเพลินกับความรู้สึกประเภทนี้มันจะพัฒนาตัวเป็นพยาปาทะ คือความอึดอัดขัดเครื่องความไม่สนุกความไม่พอใจความขัดแย้งในใจขึ้นมาลึกๆขึ้นมาเลยความไม่พอใจอยากจะนี้อยากจะไปอยากจะาหาทางออกทางอื่นแหะมันไม่พอเรียกว่าพยาบาทะทีนี้ทั้งสองอย่างนี่นะความรู้สึกที่เป็นก ร, รมวัชนธาคือความกรรมวิชนธาจะพัฒนามาเป็นตัว อ, อีกระดับหนึ่งเปลไปตัวขี้เกียจนะตัว ทุกการพัฒนาเรียกว่าความไม่พอใจก็พัฒนา ม, มาเป็นความหงุดหงิดความเรียกว่าปฏิฆาภาษาของเขาอะนะทั้ง2ตัวเนี่ยเราก็ไม่เปลี่ยนความพอใจก็ไม่อยากจะเปลี่ยนความไม่พอใจก็กแช่ไปอยู่นั้นในที่สุดมันเบื่อไม่มีทางออกมันก็ง่วงทีเนี้ยความเพลินเพลินในสุขวเวราก็ง่วงโดยเฉพาะเวลาคนที่นั่งเก้า อ, อี้จะสังเกตเห็นได้ง่ายมากระวังให้ดีคืออย่าอย่าพิงเนี่ยนั่งเก้าอี้นั่งตัวตรงๆไว้ถ้าพิงแล้วมันเป็นไง มันเพลินเพลินในสุขเวทนามันสบายอ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องแบกน้ําหนักตัวเองใช่ไหมน้ำหนักครึ่งหนึ่งมันถูกลีนแบกไปอยู่ที่พนักแล้วมันพิงไปที่เก้าอี้แล้วมันก็น้ําหนักทรงร้อยหนึ่งก็เหลือแค่ห้าิหรือสี่บเพราะฉะนั้นนักความทรงตัวไม่พอเพราะฉะนั้นคนที่นั่งเก้าอี้ปฏิบัติเนี่ยจึงง่วงได้ง่ายมากเพราะความรู้สึกทรงตัวไม่เพียงพอนะแต่ถ้าจะให้มันง่วงยากหน่อยก็คือถอยมานิดหนึ่ง นั่งตัวตรงๆ น, นี่คือลักษณะของการนั่งอเอาละต่อมาความรู้สึกตัวที่เราตามเห็นอาการความพอใจไม่พอใจชัดความพอใจตัวนี้ถ้ามันถูกตามรู้ความไม่พอใจก็ถูกตามรู้ความเฉยๆก็ถูกตามรู้ตัวสุขเวทนาตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นศีล่ ตรงนี้ตามไม่ทนคือมาเป็นสีเรือหมายความมันปกติอะ่ะสีแปลว่าปกติไม่ใช่สี5สี8สี200ขีดนะคือทําให้ร่างกายจิตใจปกติปรับอยู่เสมอปรับให้ปกติจิตใจก็สบายเป็นกลางเห็นไหมเพราะฉะนั้นสีแปลว่าปกติแต่ถ้าหากว่าไปเป็นสีนสมมุติว่าสีคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเร็วกว่าศีใช่ไหม แต่ศีลที่เป็นภาคปฏิบัติศีลคือภาวะที่ปกติไม่สกมุกเกินไปไม่ทุกข์เกินไปไม่ง่วงเกินไปไม่เหงาไม่อาการากัปปิยาวิปปิลิตวิฏฐิฐานไม่มีเรียกว่าศีลคือว่ามันชัดเจนมันปกติสบายตัวสุขเวทนาตัวพอใจเมื่อถูกตามรู้กลายมาเป็นศีล น, นะแต่ถ้าไม่ถูกตามรู้ตัวพอใจตัวไม่พอใจเปลี่ยนแปลงมาเป็น นิวร์ชื่อว่ากามฉันทะความไม่พอใจเปลี่ยนแปลงมาเป็นนิวรชื่อว่าพยาบาทะและตัวที่ไม่ใส่ใจทั้งสุขทั้งทุกความพอใจไม่พอใจมันได้ชื่อไหม่ตัวกามฉันทะก็คือตัวราคะแล้วตัวพยาบาทะไม่ได้ถูกใส่ใจมันพัฒนามาเป็นตัวโทสะแล้วตัวง่วงห่านอนก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีความสังสง ส, สามตัวรวมกันแล้วมาเป็น โมหะเพราะนั้นนิวรณ์ทั้งห้านั่นเองมันจึงเป็นจุดกอ่อให้เกิดราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบนี่พัฒนาตัวเพียงแต่ว่าความรู้สึกสบายทางกายไม่ถูกกาหนดความรู้สึกไม่สบายทางกายไม่ถูกตามรู้และไม่ใส่ใจทั้งสุขทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นอะไรทันทีราคะโทสะโมหะนี่เป็นที่มาของกิเลสตัวนี้แนต้นต่อของมันเลย เพราะนั้นในวิธีการของพ่อเทียนเนี่ยจึงพยายามที่เข้าไปตามรู้ในส่วนเบื้องต้นให้ชัดๆตั้งแต่ต้นเลยเมื่อความพอใจถูกตามรู้บำบัดออกไปสบายสบายร่างกายก็เป็นไงปกติเป็นศีลและความไม่พอใจก็ถูกตามรู้ชัดชัดไม่สบายท่างกายทั้งใจก็ดูแก้ไขปรับทรงนั้นปรับตรว น, นี้ความสบายเกิด ก็เป็นสมาธิสมาธิก็ตั้งมั่นนั่งได้นานจิตใจตั้งมั่นได้นานเพราะนั้นตัวโทสะเปลี่ยนมาเป็นสมาธิถ้าเรามีสติเข้าไปทีนี้ตัวไม่สบายความไม่ใส่ใจต่อความสบายทางกายก็ดีไม่สบายทางกายดีแล้วไม่ไม่ใส่ใจเมื่อกี้บอกว่ามันเปลี่ยนมาเป็นอะไรนะ โมหะใช่ไหมแต่ถ้าได้รับการใส่ใจความไม่สบายก็ดีความรับก า, กายทั้งสองอย่างในลักษณะที่ชัดเจนเสมอมันเปลี่ยนมาเป็นตัวปัญญาอ่าเห็นไหมแล้วจะเห็นว่าสติความรู้สึกตัวตัวเดียวเนี่ยถ้าหากว่าบริหารมันอย่างถูกต้องแล้วมันเปลี่ยนราคะโทสะโมหะมาให้เป็นศีลสัสมพนธ์ปัญญาด้วยลักษณะอย่างนี้เราจึงเรียกว่าวิชา ถ้าเปลี่ยนมาเป็นราคาโทสะโมหะเรียกว่าอวิชามาเปลี่ยนเป็นศีลสมถธิปัญญาเรียกว่าวิชาอันนี้เริ่มเข้าสู่โหมดของไอ้ปริยัตแล้ว น, นะ ต, ต้องต้องต้องต้องมีนะเพราะของเรานี่มันมีเดียมแล้วเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เบสิกแล้วนะต้องใช้ภาษานี่มาะมระดับกลางแล้วนี่เนาะต้องตามให้ทันตรงนี้หน่อยตอนนั้นความรู้สึกตัวตรงนี้จะทำยังไงให้ละเอียดทีถ่วน ก็คือปรับเข้าหากัรนี้ปรับความรู้สึกตัวอะไรปรับเพื่อความรู้สึกตัวที่เป็นยานไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่เป็นสัญชาตยานแต่เราใช้คำว่าปัญญายาณก็ได้นะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นยานได้ทันทีต่อเมื่อมีสติสัมยาความรู้สึกตัวอันนี้จะเปลี่ยนเป็นสัญชาตยานทันทีต่อเมื่อขาดสติสัมยาหรืออวิชชานะคือความไม่รู้สึกตัวนั่นเอง เมื่อเป็นอย่างนี้เราเข้าใจถึงเหตุถึงผลของมันเราก็จะให้ความใส่ใจความสำคัญตัวศรัทธาและตัววิริยะก็มีกำลังซึ่งได้ถามคราวก่อนนู้นว่าคุณสมบัติของชาวพุทธที่ทุกคนต้องมีมีกี่อย่างยังจำได้ไหมช่วยกันนึกหน่อย